รูปหนึ่งนะท่านเป็นพันเตตอนนี้ก็เป็นพระครูแล้วท่านสนใจทั้งปริยัติและปฏิบัติแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรามากแต่ว่าชาวบ้านที่มาหาท่านจำนวนมากเนี่ยมาหาเพราะว่ามีความทุกข์ก็มีเรื่องร้อนใจ ก็อยากจะมาให้ท่านช่วยทํานายทายทักชาวบ้านหลายคนก็รู้สึกว่าท่านท่านแม่นท่านสามารถทํานายได้ได้ถูกต้องมาหาท่านแล้วก็สบายใจใครๆก็นึกว่าท่านเนี่ยมีอำนาจจิตพิเศษนะ นั่งทางในหรือว่ารู้ใจขนได้เขเคยไปถามท่านท่านบอกว่าท่านไม่มีหรอกที่ท่านแนะนําเขาหรือว่าที่ท่านทํานายทายทักได้ถูกเนี่ยก็เพราะท่านอาศัยอ่าพุทธพจน์นะโดยเพราะที่ได้สาธยายกันทุกวั น, ท, วนทุกวันตอนทําวัดเช้านี่แหละ หรือเพราะตอนที่พูดถึงความทุกขนะ์อ่ะชาติปีทุกขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์ไล่มาจนถึงวัรถุยาอุปาทานขันธเป็นตัวทุกข์แค่นี้แหละนะท่านก็ใช้เป็นเป็นแนวทางในการทำนายถ่ายทักเขาได้เพราะว่าคนที่มาหาท่านนะก็ล้วนแต่มีความทุกข์ และความทุกข์ของเาก็หนีไม่พ้นนะที่พระเจ้าตรัสมาความทุกข์สิบสองอาการนะเกิดนะแล้วก็แก่ตายความโศกความร่ำารรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจ ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พัดผ่าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนะ <c oughs> ท่านี้แหละนะความทุกข์คนลำนไม่พ้นนะความทุกข์สิองอาการท่านเวลาญาติโยมมาหาเนี่ยสีหน้าก็บ่งบอกถึงความทุกข์คุยไปคุยมาเดี๋ยวก็รู้ละพอเดาได้แล้วว่าทุกข์ เรื่องอะไรเพราะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักหรือพัดพาจากสิ่งที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะแต่บางคนเวลาทุกเนี่ยไม่รู้นะว่าทุกเพราะอะไรหรืออะไรเป็นเหตุให้ทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเอ า, อาพุทธพจน์มี้นะมาใช้ในการส่องดูตัวเองนะ ก็จะช่วยได้มากหรือว่าจะเอาไปใช้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ไม่ต้องนั่งทางในเป็นไม่ต้องอมีอำนาจพิเศษทางจิตก็ได้ก็สามารถที่จะเดาได้ว่าทุกข์เพราะอะไรทุกสิบสองอาการนี้ถ้าพิจารณาให้ดีมันได้ได้แง่คิดมากทีเดียวไม่ใช่เพียงแค่ช่วย คนอื่นได้หายทุกข์หรือว่าช่วยในการทำนายถ่ายทักเพื่อให้เขาเกิดความมันออ่นคงมั่นใจในคำแนะนำนะสั่งสอนของเราความทุกข์สิบสองกาเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งนะเป็นเรื่องความทุกข์แบบสามัญของคนทั่วๆไปหรือทุกข์แบบภาษาคนนะแต่ว่ามันจะมีตอนท้ายเนี่ยที่ ผู้เจ้าขมวดไว้ว่าวาโดยอุปทานขันธ์ทั้งหเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็คือรูปเวสนาสัญญาสำคัญวิญญาณเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วนะก่อนหน้านั้นเป็นทุกข์ของคนที่ยังสําคัญบรรมหมายมีตัวมีตนเป็นสัตว์บุคคลนะเป็นเรื่องของคนที่ยังมีเป็นเรื่องของการที่ยังมีความสําคัญว่าเป็นคนนะ แต่ว่าพอมาถึงตอนท้ายเนี่ยมันไม่มีเรื่องคนแล้วมันมีแต่เรื่องของขันนะไม่ใช่สัตบุคคลเราเขาละมันเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่ององธรรมชาติล้วนๆก่อนหน้านั้นเ็ดประการนี่มันยังมีมันเป็นเรื่องของคนอยู่นะโดยเฉพาะใช้กับผู้คนที่มีความรู้สึก แต่ว่าอันสุดท้ายนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี่มันไปพ้นจากเรื่องสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะมันเป็นเรื่องสภาวะล้วนๆนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือผู้งาคือคือรูปกับนามกายกับใจนั่นเองและที่เป็นตัวทุกข์นี่มันไม่จำเป็นต้องเป็น อุปาทานขันก็ได้นะขันเฉยๆก็เป็นตัวทุกข์นะบางครั้งเนี่ยในพระไตรปิฎกผู้เจ้ากระรัสพูดถึงขันเฉยๆขันตั้งห้าเป็นจักขันไม่ได้พูดไม่ได้พูดจําเพาะว่าอุปาทานขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันตั้งห้าเฉยๆก็เป็นตัวทุกข์นะโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปมีอุปาทานไปเกาะเกี่ยวก็ได้ ถันตั้งข้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็หมายความว่ามันตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมสลายนะมันตั้งอยู่ไม่ได้นานจนะเป็นอุปาทานขันหรือว่าขันเฉยๆก็ตามก็ลดแต่เป็นตัวทุกข์ทั้งสิน้นเป็นแต่ว่าอุปาทานขันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์เฉยๆนะ มันยังทำให้คนที่ไปยึดมันเนี่ยเป็นทุกข์ด้วยควาว่าตัวทุกข์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นความเสื่อมสลายแต่ยังหมายความว่ามันไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่ยึดถือมันถ้าเป็นขันเฉยๆเนี่ยนะมันก็เป็นตัวทุกข์ธรรมดาแต่พอไปยึดมันยึดบั้งถือมัน ในขันนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยไอคนที่ยึดนั่นแหละก็จะถูกตามไปด้วยเหมือนกับไฟเนี่ยฐานร้อนๆเนี่ยมันก็ร้อนของมันอย่างนั้นแหละไม่มีใครเดือดร้อนไปกับการที่ฐานกนแดงๆนะมันมีอยู่แต่พอไปยึดไปจับไปถือมันเข้าเนี่ยไอคนที่ยึดจับถือนั่นทุกเลยร้อนเลย หินก้อนใหญ่ๆนะมันจะหนักแค่ไหนมันก็แบไปทําความดูร้อนให้ใครแต่พอใครไปแบกมันแบกมันเมื่อไหร่นี้ก็หนักเลยนะเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมปล่อยด้วยแล้วก็แบกเอาไว้อย่างนั้นแหละมันก็เลยยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่ทั้งที่ท่านใช้คําว่าวาดุย อ, อุปท า, านขันธน ะ, ะเป็นตัวทุกข์เนี่ย มันไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่ามันเป็นทุกตามสภาพของมันแต่ว่ามันยังทําให้คนที่ยึดถือเป็นทุกข์ด้วยเหมือนกับเสาเนี่ยเสาที่มันผุพังเนี่ยนะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละตามสภาพเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราไปพิงมันเมื่อไหร่นะไปพิงไป ไปพิงมันแบบเต็มเนื้อเต็มตัวนะมันก็ จ, จะหักพังลงมาแล้วเราก็เจ็บตัวนะรวมความความบํายเพราะว่าไปพิงมันมากเกินไปอันนี้แหละนะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความยึดถือในขันทั้งห้าซึ่งโดยตัวมันเองมันก็เสื่อมโดยตัวมันเองมันก็แย่อยู่แล้วนะ มันไม่สามารถที่จะประคองตัวมันเองได้แล้วมันจะเป็นที่พึ่งให้กับใครได้อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะว่าทำไมแก่จึงเป็นทุกข์นะชาราจึงเป็นทุกข์หรือว่าตายจึงเป็นทุกข์ ถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนะในในกายนี้ในสังขารนี้เนี่ยความแก่ก็เป็นแค่ความทุกข์กายนะความตายก็เป็นแค่การแตกดับของรูปนะของสังขารฝ่ายกายแต่พอไปมีความยึดมั่นถือมั่นในในขันทั้งห้านะโดยเฉพาะในร่างกายนี้นะ พอแก่ก็ไม่ใช่แค่ทุกกายเดี๋ยวมันทุกใจด้วยพอตายก็ไม่ใช่แค่ทุกกายเดียวทุกใจด้วยถ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดความโศกความร่ำไรลำพันนะความไม่สบายกายนี้ก็เป็นความเจ็บป่วยความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจตามมาแล้วพอมีความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมี เมื่อประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เมื่อพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นะอันนี้คือทุกข์ใจแล้วนะทุกข์เประการแรกเนี่ยมันมเป็นเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจแต่ว่า5อาการหลังคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณที่เป็นทุกข์ทเนี่ย น, นี่เป็นเป็นทุกข์ตามสภาวะ ไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นจะเป็นถินจะเป็นเสาจะเป็นอะไรนะมันก็ต้องตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมเราก็ศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะไม่ใช่เพื่อเพื่อรู้เฉยๆนะแต่ เ, เพื่อที่เอามาเอามาใช้กับตัวเองนะเพราะว่าการที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ย เราต้องรู้จักทุกให้ดีทุกจึงเป็นอริยสัจข้อแรกและ ก, กิจในอริยสัจข้อนี้คือการรู้ทุกบางทีก็ใช้คําว่ากําหนดรู้รู้ในที่นี้ท่านใช้คำว่าปริญญาก็คือรู้ให้ทั่วรวยถึงถ้ารู้ถ้ารู้ชัดเนี่ยมันก็ทางพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ และถึงตอนนั้นเราก็อาจจะขอบคุณความทุกข์ด้วยมีอย่างที่อาจารย์กำพลทองบุญนุ่นท่านบอกว่าเนี่ยเราขอบคุณความทุกข์นะเพราะว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับท่านท่านก็ทำให้ท่านได้รู้จักความทุกข์เมื่อรู้จักความทุกข์ทางออกจากความทุกข์มันก็ปรากฏถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่เจอทุกข์เนี่ย ให้การที่จะเห็นทางออกจากทุกนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะบางคนอยากเจาะออจากทุกแต่ไม่อยากเจอทุกพยายามหนีทุกนะหนีแต่พึ่งตะพือไม่แม้กระทั่งคิดถึงมันเลยอันนี้ก็ไม่มีทางออกจากทุกได้เจาะออจากทุกได้ก็ต้องยอมยอมที่จ ะ, ะเผชิญหน้าความทุกยอมที่จะ เจอความทุกข์และกล้าที่จะเจอมันนะเพราะว่าอันนั้นแหละคือขนทางที่จะทําให้พ้นจากทุกข์ได้มันมีภาษิตจีนบอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทําเสือลูกเสือนี่มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าอยากจะได้ของดีของของประเสริฐนะก็ต้องพร้อมที่จะเสี่ยงนะ ว่าเข้าทำเสือนี่มันมันคือความเสี่ยงนะถ้าไม่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ของดีนะครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็พูดไว้นะถ้าอยาพ้นทุกก็ต้องกล้าเจอทุกท่านหนีทุกก็ไม่มีทางได้ได้รู้เท่าจากทุก์การทําความเข้าใจเรื่องทุกเนี่ยสาคัญ พระเจ้าจึงตรัพูดถึงความทุกข์ไม่มากหลายคนก็ไม่เข้าใจนะไปมองพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของอทุกนิยมนะคือมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็พูดแต่เรื่องทุกข์ๆนะที่ท่านพูดถึงทุกข์เนี่ยที่จริงเนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นหนทางสู่ความสุขและความสุขที่ประเสริฐกว่าสุข แบบโลกโลภพุทธศาสนานี่ไม่ได้ชื่นชมยินดีในความทุกข์นะแล้วก็รังเกียจความสุขทางตรงเป็นตรงเองข้ามด้วยซ้ำนะพระเจ้าเคยตรัสถึงท่าทีต่อทุกข์และสุขไว้เนี่ยมีสประการอันนี้ก็สำคัญนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงเท่าไหร่ข้อแรกคือท่านบอกว่าอย่าเอาทุกข์มาท่วมทับหรือทับถมตน หรือเพิ่มก็คืออย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองลาพังร่างกายสังขารที่ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะ <c oughs> คือปวดคือเมื่อยนะตลอดเวลาก็ต้องหาทางแก้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็กทุกขนะ์นะไอการหายใจออกเนี่ยก็เป็นการการคลายความทุกข์หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ทุกข์นะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหายใจออกหายใจออกเฉยเฉย มันก็ทุกข์นะก็ต้องหายใจเข้านัที่เราขยันขยับไปมานี่ก็เพื่อหนีทุกขนะ์เพื่อที่จะคลายจากความทุกขนะ์ลำพังร่างกายนี้ยนะมันก็เต็มไปได้วยทุกข์อยู่แล้วนะทุกข์ก็ต้องมีการขับถ่ายนะัต้องมีการเปลี่ยนนิริยา บ, บทเพราะฉะนั้นจะไปเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองบางคนปวดเมื่อยแล้วไม่พอนะการที่จะปว่วยเมือ่อยปวดเมื่อยแค่กายก็ใจก็ปวดเมื่อยตามไปด้วย เมื่อเราก็ตามที่ใจเราปวดเมื่อยนะหรือเป็นทุกข์ไปกับความปวดความเมื่อยของกายนี่แสดงว่าเรากาลังเพิ่มทุกข์ให้แกบตัวเองแล้วนะเวลาของหายนี่มันก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วนะถ้าไปเสียใจคับแค้นใจนี่ก็เท่ากับ ว, ว่ากาลังซ้ำเติมตัวเองากาลังเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองอันนี้ไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องนะของชาวพุทธ จะต้องไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองแต่บางคนนี่อย่าว่าแต่ความทุกข์ใจเลยนะความทุกข์กายก็ยังซ้ําเติมด้วยในการที่ไปกินอาหารไม่ถูกต้องด้วยความด้วยกิเลสกินมากๆจนกระทั่งร่างกายมันไม่ไหวมันอุดทรล้องบนหรือว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่ไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นการ เพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่สนับสนุนที่พระเจ้าไม่ไม่ละทิ้งการทรมานทรมานตนอตต า, า ก, กิลมถานุโยเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธอันนี้ก็เพราะเห็นว่าเป็นการสร้างความทุกข์มาทับถมตนบางคนอาจะบอกว่าโอ๊ยแล้วทำไมพระเจ้ า, าให้ฉันมือเดียวนะหรือว่าทําไมพระเจ้า แนะนำให้ไม่นอนให้ให้นั่งภาวนาหรือว่าเดินยืนแต่ไม่มีเรียบทนอนอันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องการฝึกนะการฝึกเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยมันก็ต้องมีความทุกข์บ้างเรื่องทุ ด, ดงควัดนี่มันก็เป็นการฝึกนะไม่ใช่เป็นเป้าหมายในตัวมันเองทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถึงเรียกว่าเป็นวัด ไม่ใช่เป็นวิทย์นายรือสึกขาบทวัดนี้แปลว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่จําเป็นต้องไม่บังคับให้ใครต้องทําเป็นประจำแต่ทําเพื่อฝึกฝนบางคนก็อาจจะอดอาหารนะการตัวอาหารอย่างเช่นล้างพิษนี่ก็มีการอดอาหารอันนี้ไม่ถือเป็นการทําความทุกมาทับถมตนนะแต่ว่ามันเป็นวิธีการในการที่จะช่วยทําให้สุขภาพดีพระบางรูปท่านก็อดอาหาร ไม่ใช่เพื่อล้างพิษนะแต่เพื่อการภาวนาบางทีท่านก็อดอาหารเป็นอาทิตย์หนึ่งก็มีอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกนะทำชั่วคราวเป็นการปฏิบัติเพียงแค่ชั่วคราวเพื่อฝึกฝนหรือเดินธรรมยาาราเนี่ยเดินกลางแดดเนี่ยนะเดินกลางแดดหรือว่าให้ถอดรองเท้าเดินรงกรมบางทีก็เดินเหยียบกวดเกี่ยเหยียบเหยียบพินเนี่ยนะ มันก็ไม่ใช่เป็นการทรมานตนนะมันเป็นเพียงแค่การฝึกเพื่อเราเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ปุถุคเวทนาได้อย่างไรโดยใจไม่ทุกข์เมื่อใจเราพัฒนาแล้วนะเออไม่ทําก็ไดนะ้มันเป็นแค่การบ้านเป็นแค่แบบฝึกหัดข้อนี้ข้อเพียงแค่ข้อหลนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยสร้างความทุกข์แก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวหรือเอาทุกข์มาทับถมตน ทั้งทุกกายแล้วก็ทุกใจเนือเพราะทุกใจนี่เป็นกันมากนะอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยของหายแทนที่จะหายแต่ของนะก็ใจก็หายบางทีไม่ใช่แค่ใจหายสุขภาพแย่ด้วยเพราะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอาวรณ์พอสุขภาพแย่งานก็ทำไม่ได้เสียงานอีกแล้วก็ พออารมณ์ไม่ดีระบายความเครียดใส่คนอื่นทะเลาะบาะแว้งกับคนอื่นด้วยความโมโหโกรธาก็เสียสมรรถภาพอีกแทนที่จะเสียแค่เงินก็เสียใจด้วยเสียสุขภาพด้วยเสียงานด้วยเสียความสัมพันธ์ด้วยอันนี้เรียกว่าเอาทุกมาทับถมตนอันนี้นอกจากไม่เอาทุกมาทับถมตนแล้วเนี่ย ท่านยังตัดต่ อ, อไปว่าให้ไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทำอ่าพรเจ้าหรือพุทธศาสนาที่ไม่ปฏิเสธความสุขนะความสุขความสบายเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วก็อย่าปฏิเสธมีเงินก็ต้องใช้มีเงินก็ต้องใช้เลี้ยงตัวมีเงินแล้วไม่ไม่ใช้นะอยู่อย่างประนีอยู่อย่างตอนหนีอยู่อย่างลำบากนะด้วยความตหนี ดูอย่างอัตคัดขัดสนนี่ผูเจ้าก็ก็ต่อว่านะในสาวัติกานี่มีเศรษฐีคนหนึ่งที่รวยมากแต่ว่าตนหนีทีเหนียวมากกินข้าวกินข้าวหักเสื้อผ้ากระปุกป่านะมันเกินจะมันไปมากกว่าความประหยัดล่ะแต่ว่าเป็นความตนหนีทีเหนียวเพราะเสดายเงินนะแทนที่ว่าเราจะเป็นนายเงินนะเงินกลับมาเป็นนายเรา ถ้าไม่กล้าใช้กลัวถ้าเงินหายถ้าเงินใช้ไปแค่บาทสองบาทนี้เป็นทุกข์แล้วนี่แสดงว่ามันเป็นนายเรานอะเราไม่ใช่เป็นนายมันฉ้นพุทธนี่เราไม่ละทิ้งหรือปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำนะครูเจ้ายังเคยตัดเลยนะว่าต้องรู้จักหาความสบายนะเพราะวาความสบายนี้มันเป็นหนึ่งใน หาประการของการมีอายุที่ยืนนานอายุวัฒนกถาคือคำสอนเรื่องการมีอายุยืนเนี่ยก็มีข้อหนึ่งคือว่าให้รู้จักหาความสบายนะความสบายเช่นกินอาหารที่มันย่อยง่ายอยู่ในบ้านที่มันช่วยได้พักผ่อนพอเพียงแต่ผู้เจ้าก็ตัดต่อไปว่าให้รู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายเกินไปนะถ้าสบายเกินไปนี่ เป็นเรื่องนะคนสมาธิสบายเกินไปก็เลยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรต่ออะไรมากมายเด็กนี่ไม่ไม่รู้จักออกกําลังกายนั่งอย่างเดียวอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ผู้ใหญ่ก็นั่งทํางานอยู่แต่ในห้องแอร์นะมันสบายเกินไปนะพอทํายี่สัก5ปีสิปี20่สิปีนี้ร่างกายมันก็แย่เดีย๋ยวนี้สํานัก ง, งานหลายแห่งนี่เขาให้ยืนทํางาน ให้ยืนทำงานเพราะการยืนเนี่ยมันช่วยออกกำลังกายได้แล้วก็มีหลายคนนะเขายืนทำงานแล้วเขาเพบว่าสมองแหลนอย่างมีเขาเล่ากันว่าเรยอนาร์โดดาวินชีเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ฉลาดปาดเปลืองมากเนี่ยท่านในทางศิลปาวิทยาศาสตร์นี่เวลาจะวาดรูปนี่ก็ยืนวาดรูปนะเพราะตอนการยืนนี่มันทำให้ได้ออกกำลังกายไปด้วยสมองก็แหลน อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่มีที่มีมานานนะสมัยนี้ก็เริ่มกลับมาละที่ทํางานหลายแห่งในอเมริกาให้ให้ยืนทํางานอย่างน้อยก็สักระยะหนึ่งไม่มีเก้าอี้นะอันนี้ไม่ใช่ทรมานตนนะแต่ว่าเป็นการช่วยในการทําให้ให้สมองแล้วก็ร่างกายนี้มันทํางานได้ดีขึ้น ราะนั้นเนี่ยข้อที่สามของท่าทีต่อต่ อ, ต, อต่อความทุและความสุขเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกว่าอย่าติดยึดในความสบายนะนอกจากจะไม่ทิ้งความสุขที่ชอบทําแล้วนะก็อย่าสยบมัวเมาในความสุขนั้นนะก็คือให้รู้ประมาณในความสุขในความสบายนั่นเองถ้าสบายแล้วเพลินในความสบายเช่นเพลินในการนอนเพลินในการกินหรือว่าพอสบายแล้ว ไม่ไม่ทำอะไรแล้วนั่งเล่นนอนเล่นอันนี้ไม่ถูกนะต้องให้รู้จักประมาณในความสบายหรือว่าไม่สยบมัวเมาในความสุขแม้เป็นความสุขที่ชอบทำก็อย่าสยบมัวเมานะอันนี้ถ้าทามันแสงว่าเราเป็นท่าของมันแล้วมันมีเส้นแบ่งนะพุทธศาสนาที่เป็นทางสายกลางเน้นทางสายกลางมากก็คือว่าไม่หาทุกมาทับถมตนแต่ขณะเดียวกันก็ ไม่เพลิดเพลินในความสุขในความสบายนะได้รู้จักความพอดนะีความสุขที่ชอบทําก็ไม่ประดิเสธแต่ต้องมีความพอดีดนะันั้นจะเห็นว่าพุทธศาสนานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างเสริญความยากจนนะแต่เห็นว่า ก, การอยู่แบบเรียบง่ายเนี่ยมันเป็นของดีนะที่จะช่วยทําให้ ไม่เป็นภาระแก่จิตใจแล้วก็ไม่ไม่เป็นภาระกับตัวเองเพราะว่าถ้ามีของเยอะนะมันก็ต้องกลายเป็นภาระทั้งทางจิตใจแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็ต้องดูแลตอนนี้เมื่อไม่ให้สยบมัวเมาในความสุขแล้วเนี่ยข้อสุดท้ายท่านก็พูดว่าท่านก็สอนว่าให้เพียรปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกข์ หือเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนี่สําคัญมากนะนอกจากไม่เอาทุกมาทับถมตนแล้วไอ้ทุกเดิมที่มีอยู่เนะี่ยก็ต้องหาทางนะปฏิบัติเพื่อขจัดความทุกออกไปนะธรรมดาคนเรานะมันก็มันก็ยังมีความทุกข์รบกวนจิตใจอยู่ถึงแม้ว่าไม่มีทุกมาทับถมตนไม่หาทุกมาทับถมตนแต่ก็ยังมีความทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บ ความพัดพลาดสูญเสียความตายเราก็ต้องรู้จักปฏิบัติเพื่อที่จะให้พ้นจากความทุกข์กันนี้ไม่ใช่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วไม่หาทางทําให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าใจไม่ทุกข์และถ้าปฏิบัติจนถึงเรียกว่าลักิเลสณตันหาได้หมดสิ้นเข้าถึงสสยธรรมอย่างแท้จริงเนี่ย มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยให้ไปเกิดอีกก็เรียกว่าพ้นจากความเกิดไปได้พอพ้นจากความเกิดไปได้นี่ความแก่ความเจ็บความตายมก็เป็นอันว่าไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายนะทีะ่ชาวพุทธควรจะใส่ใจเพียงปฏิบัติเพื่อทำให้ความทุกข์หมดสิ้นไปให้ความทุกข์ที่ว่านี่ไม่ใช่ทุกข์กายเพราะว่าตราบใดที่ยังมีกายอยู่มันก็ยังต้องมีทุกข์ มันยังต้องเข้าห้องน้ำต้องถับถ่ายต้องรู้จักปวดรู้จักเมื่อยแล้วต้องเจอความเจ็บป่วยและความแก่ชาราแต่ความทุกข์ใจนี่สามารถจะกักขจัดไปให้สิ้นได้หรือว่าถ้ายังทำขนาดนั้นไม่ได้ก็ต้องเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีต ย, ยิ่งขึ้นไปความสุขที่ประณีตคือความสุขทางใจนะไม่ใช่ความสุขของวัตถุ บันไดสีขั้นเนี่ยนะจำเป็นนะที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้คือหนึ่งไม่เอาความทุกข์มาทับถมตนสองไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทำแล้วก็สามไม่เสียบมัวเมาในความสุขที่ชอบทำนั้นข้อที่สี่นะเปลี่ยนปฏิบัติเพื่อทําความทุกข์ให้สิ้นไปหรือเปลี่ยนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีต ทั้งหมดนี้เราจะเข้าใจเราจะทำได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องความทุกข์นะอย่างที่ได้สาธยธรมอย่างที่เราได้สวดใสยธยา ม, มาทุกวันทุกวันทุกวันทุกเช้าเนี่ยก็เพื่อเราจะได้รู้จักทุกให้ดีแล้วเมื่อรู้จักทุกดีแล้วเนี่ยการที่ออกจากทุกเข้าถึงความสุขมันก็เป็นไปได้อาชานี่ก็พูดกับท่านนีน ะ, ะคราบครบ